ดุมรุงเรบเจอจตลาลึกซึ้งแลเพียงแรกแลบรรดาปิติ อลัมพิเศษวันวิสาขบูชาวันมหามงคลงแห่งไตรภูมิเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์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 และจึงเผยแผ่วิธีดับทุกข์แก่มหาชนและปวงเทพการอุบัติของพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็นการอุบัติในเบื้องต้นคืออยู่ในรูปของการเกิดมาเป็นกุมารมนุษย์ทั้งหลายเกิดมาด้วยเหตุเพียงใดพระพุทธเจ้าก็เริ่มนับหนึ่งจากเหตุเพียงนั้นมิใช่เทพพ ย, ยดาชะลอเลื่อนลงมาจากปากฟ้าแต่อย่างใด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 ได้เรียนลองไตรตรองนานชารู้จำ